คำสมถันคำถ่านครคำผู้ชาร์ชาร์ดไ่ว่าต่าอินนาสกาเรนัตพุทังโพเชมัสอินาสกาเรนัตพัมมังโตเชมัสอินนาสกาเรนัต สัมังูเชมะสัปเมสอระหังสมมาสัมพุทโภพะวาอะระัสมมาสัมพุทโภพะวุทธังทกวตังอภิวาเทนิพุทธังอวาตังิวาเทนิสวากขาโตพะคะวะตาธโมสวากขาโตพะคะวะตาธโมธรรมังมรสามี สังฆะมานีสังฆะมาอ น, อ น, อนีาหลักสามคำสมาทานสีแปว่าพร้อมกันครับม <c oughs> ัยยงพันเตติสระเนนสหะอัฏฐศีลานิยาจามะภุนิยามติมายาพันเตติสระเนนสหะ ศีลาริยาจามะตัดติย <ijo> yeah <iam> <spe> ัง <spe> ติมยางมันเตติสระเณสังฆะอัิธาสีลาริยาจามะพอเราเริ่มต้นปรับในการอบรมเราก็เริ่มตั้งกรอบต่อสู้กับกิเลสสินแปดนี้เป็นกรอบ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 อัครธรรมะจารียาเวรเมณีสิกขาปังสัมมาดิยามิมุสาวาดาเวรเมณีสิกขาปังสัมมาดิยามิสุรา เมรยะมัจปามาดัทนาเวรมณีสิกขาปังสมาดิยาวิการะพอยนาเวระมณีสิกขาปังสมาดิยาวิการะอยนาเวรมณีสิกขา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 อุจจะสยามะมหาสยาเวรมนีสิกขาปัังสมาธียามีอุจจสยะมหาสยาเวรมนีสิกขาปั a จัสมาธยามอะสิกขาปานีสเลนะสุกตยันติ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 ยกเว้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกเกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรมบริกรเพียนั้นและรรมบริกรเท่านั้นและจะตั้งใจปรับพฤติจริงๆและจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆด้วยกำลังแห่งความเพียรด้วยกำลั่ความเพียรด้วยความบากบั่นด้วยความบากอันไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยจสลักำลังสดสูงะสลักกำลังสสูง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 ตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสามาสามัุทธเจ้าในเวลาไม่ช้าด้วยเถิอิมายะิมายะธรมานุธรรมะมานุธรรมะปติปัติยาปติปัติยารัตนตายังปูเชนี ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่รรมนี้อันสมควรแก่ธรรมนี้กับทนจิรนกรนะครับพร้อมแล้วกระกรสาธุขอให้การตั้งสัจจะให้สำเร็จสัจจะที่ฐาน